บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปและพูดถึงเรื่องมารทั้งห้าประการตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้และพระองค์ทรงชนะมารทั้งห้าประการนั้นซึ่งเริ่มต้นจากกิเลสมารคือดา ก, กิเลสทั้งหลาย ซึ่งเป็นตัวขัดขวางตัดรอนทำลายคุณธรรมความดีของบุคคลในระดับต่างๆซึ่งกงหมายความว่าในระดับที่สุดยอดกิดเลสทุกระดับมันก็เป็นมารแต่ระดับทั่วๆไปบางครั้งถ้าหากว่าเราควบคุมไม่ได้ก็ไม่ถึงกับเป็นมานรสาษาใดที่ยังเป็น โลกอยู่สาสตดั้นก็คงจะต้องมีกิเลสอยู่บ้างประเด็นสำคัญอยู่ที่เราสามารถควบคุมกิเลสเหล่านั้นได้หรือไม่แต่ถ้ามองถึงระดับสุดยอดก็คือระดับสังสารวัฏแล้วกิเลสแม้เพียงเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นมานเพราะเป็นตัวกัดขวางตัดรอนไม่ให้คนบรรลุผลสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา ธรรมานประการที่สองนั้นคือขันธมันได้แก่ชีวิตของบุคคลที่ท่านย่อยออกไปเป็นขันธ์ทั้งห้าประการนั่นเองข้อนี้เพงเข้าใจว่าเป็นโวหารในการแสดงธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงเน้นในจุดซึ่งคนสามารถเข้าใจได้ โดยวิธีใดก็ส่งแสดงโดยวิธีนั้นเพราะในแง่ของความไม่จริงแล้วความเป็นขันธมารมันก็มีกิเลสสมานอยู่ด้วยท่นี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าสรรพสิ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปมันก็รวมลงที่ขันธ์ทั้งหประการคือส่วนใดที่เราสัมผัสได้โดยตาหูจมูกลิ้นกายของเราสิ่งนั้นก็คือส่วนแห่งรู ป, ปรขันธ แสดงเห็นว่าสิ่งทั้งหลายในโลกมันก็อยู่ในกลุ่มของรูปประการส่วนใหญ่ที่เราสัมผัสได้ไปตาหูจมูกลิ้นกายแต่ส่วนใดที่เป็นความรู้ด้วยใจหรือเป็นความรู้ที่สัมผัสทางใจกัาหรับส่วนนั้นท่านก็เรียกว่านา้ำเช่นในขันทั้งห้ามันก็แบ่งออกมาเป็นรูปน้ำส่วนรูปประการก็คือรูป ส่ น, นามขันก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและในความไเป็นเวทนาสัญญาและกวิญญาณ น, นั่นเองสังขาร น, นั่นเองที่จริงก็ก็เป็นสังขารคือสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงแต่งจิตของอุคคลให้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสังขารที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆ คนนี้จึงอิง อ, อาศัยซึ่งการอะรกันเราเรียกรวมอีกทีหนึ่งว่าเป็นกลุ่มของจิตที่จริงก็มีทั้งสิ่งที่ปรุงแต่งจิตแล้วก็ตัวของจิตแต่ทั้งหมดก็เป็นนามธรรมโดยภาพรวมๆก็คือความไม่ปกติของขันเรียวความไม่ปกติของชีวิตที่มีโรคภัยไข้เจ็บเสียดแทงจากไปในบ้างแกไปนอกบ้าง เป็นอุปสรรคขัดขวางในการศึกษาในการประพฤติปฏิบัติความดีในชั้นต่างๆของบุคคลเอาไว้ในส่วนนั้นก็เป็นมานซึ่งเป็นมานที่เห็นได้ชัดเจนเพราะว่าจะโรคภยคัยไข้เจ็บังเกิดขึ้นเราก็ตัดช่วงตัดโอกาสที่จะกระทำความดีของบุคคลเอาไว้แล้วเราจะทํางานในชั้นใดก็ตามแต่โรคภยคัยไข้เจ็บเบียดเลียนเราก็ต้องหยุดตรงนั้น ซึ่งอาจจะทำให้พลาดโอกาสดีงามต่างๆไปเป็นอันมากและบางครั้งก็มีความรุนแรงจนถึงกราบ็นมารอีกอย่างหนึ่งซึ่งจะกล่าวในโอกาสต่อไปที่ท่านเรียกว่ามัจจุมันประเด็นที่สำคัญก็คือว่าการที่จิตของบุคคลไปยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งห้าด้วยอนาจของความรู้สึก แข่งตันหาว่าเป็นของเราของเราเป็นต้นถึงจะเห็นได้ว่าความรู้สึกว่าของเราในสิ่งในคนในสัตว์ในสิ่งของมากเท่าไรความทุกข์ก็จะเพิ่มพูนแก่บุคคลมากขึ้นเท่านั้นครนี้อย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าการลห้านั้นเป็นภาระคือของที่จะต้องแบกต้องรับผิดชอบอย่างหนัก แต่ตามปกติแล้วคนก็มาแบกขันทั้งห้าเหล่านั้นเอาไว้แล้วก็ไม่ได้แบกไว้เฉยๆคือจะมีการปล่อยคว้าสวยงาขันห้าต่างๆให้เพิ่มพูดขึ้นเป็นนั้นมากเพราะมีอะไรก็จะเพิ่มความทุกข์ขึ้นในจุดเดียวนั้นเป็นการห่วงอะไรกังวล เ, เดือดร้อนสูญเสียความสงบ ที่ตนควรจะได้จะมีย่าไม่ต้องดูอื่นไกลนะครับที่ท่านกล่าวทั้งบ่วงทั้งสามเอาไว้เพาบ่วงทรัพย์บ่วงสามีปัญญาและก็บ่วงบุตรธิดาเะอย่างที่ยิงก็เป็นขันทรัพย์บางก็เป็นรูปประกาบ้างส่วนใหญ่ก็เป็นรูปประกา ถ้ามีปัญญาก็เป็นเป็นขันทั้งสองประการคือทั้งรูปประขันและก็น า, นามปรขันพระบุตริดาเขาก็มีลักษณะอย่นกันเพราะนั่นจะเห็นได้ว่าที่จริงสิ่งเหล่านั้นก็คือขันเป็นกลุ่มของขันแต่ว่าบุคคลเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเอาไว้ว่เป็นทรัพย์ของเราเป็นสามีปัญญาของเราเป็นบุตริดาของเราเป็นตน เดี๋ยวขนาดสามอย่างก็อาการหนักแล้วไม่ต้องกล่าวถึงการทั้งห้โรคอื่นซึ่งที่จริงก็เพิ่มปูนขึ้นจะมีคาถาปริวาลลูกน้องเกื่อนขุงมีสหายต่งตางๆเป็นต้นเป็นต้นเพิ่มปูนขึ้นเป็นอันมากแต่อย่างนั้นจะต้องมีความห่วงใยวิตกกังวลดูแลใจใส่ในสาระทุกขสุขดิบของบุคคลเหล่านั้น ในจิตใจของบุคคลก็จะแปรแปรผันไปตามความเปลี่ยนแปลงของบุคคล น, นั้นเจตซับเพิ่มขึ้นก็มีความปีติอิ่มใจในขณะเดียวกันก็มีความวิตกกังวลขวงน ใ, นใจถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากแก่ซับของตัวเองในลักษณะใดลักษณะหนึ่งจะมีความเปลี่ยนพยายามป้องกัน ร, ราคาการโดยประการต่างๆ และบางครั้งบางคราวเพื่อปกป้องรักษารูปประคันเหล่านั้นคือทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมีอุปมงคลเป็นมากเลยล้มตายลงไปเพียงเพื่อรักษาทรัพย์ของตนเองเอาไว้แต่เอาก็จริงทรัพย์ก็รักษาไว้ไม่ได้ชีวิตก็รักษาไว้ไม่ได้และบางครั้งแม้จะรักษาไว้ได้พอทรัพย์เหล่านั้นเสื่อมสลายไปก็เกิดความทุกข์เดือดร้อนขึ้นมาโดือด ร, ร้อนต่าง ในจุดนี้เองเป็นสังเกตว่ามันก็มีวิธีการสอนที่จะให้บุคคลมีทุกน้อยลงแต่ในขณะเดียวกันบุคคลก็ต้องมีทรัพย์ซึ่งเป็นปัจจัยสี่จะทำอย่างไรจึงจะได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นด้วยแล้วก็มีความทุกข์ลดน้อยลงไปด้วยจึงทรงแสดงข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับทรัพย์ไว้ในระดับต่างๆเป็นนั้นมาก ทำให้เราพบ ว, ว่าพู้เจ้าทรงแสดงทรัพย์ไว้สองระดับระดับหนึ่งในชั้นของการบำบัดคือแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการครองชีวิตจำเป็นจะต้องได้ปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูชีวิตของตัวเองจะทำยังไงอย่าถึงกับทำบาปเพื่อได้ปัจจัยสีเหล่านั้นมา แต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเพียนพยายามตอบสนองอยู่เรื่อยๆในความเต็มความอิ่มมันก็ไม่มีจึงมีทรัพย์ประเภทที่เรียกว่ากระจัดหรือบรรเทาความอยากที่บงังเกิดขึ้นคือมุ่งไปในพัฒนาการด้นนั้นจิตใจเช่นไว้มีทรัพย์คือศรัทธามีทรัพย์คือศีลมีทรัพย์กิริอุอตศปะเป็นต้น เพืจะให้เป็นทรัพย์ที่ติดตัวได้จริงๆแต่ในขณะเดียวกันก็เกิดปัญญารู้เห็นตามความจริงของทรัพย์เหล่านั้นและจะพยายามใช้ประโยชน์จากทรัพย์เหล่านั้นอย่างแบบวิถีชีวิตของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายถึงวันจริงก็ค่อนข้างจะสุดยอดไปหน่อย แต่เราสังเกตว่าท่านเหล่านั้นที่จริงก็คือชาวโลกคนหนึ่งที่เขาถึงแก่นแท้สารัฐของทรัพย์นั้นท่านจึงมีการเฉลี่ยทรัพย์ออกไปเพื่อประโยชน์คกือกูลแก่คนเป็นนั้นมากแต่ในขณะเดียวกันท่านเองก็มีการพัฒนาทางจิตคือลดละความโลภความโกรธความหลงลงไป ก็ทำให้จิตใจของท่านปล่อยวางความยึดมั่นตืมมั่นในสิ่งเหล่านั้นเฉ่ว่ในส่วนที่เป็นรูปธรรมจนในที่สุดก็สละตัวเองออกปวดในระดับต่างๆเป็นนักปวดนอกาศาสนาบ้างในพุทธศาสนาบ้างอย่างที่เราทราบกันแต่ในขณะเดียวกันก็สงสอนระดับที่ลดหลั่นลงมา หมาความว่าบุคคลพยายามครองชีวิตของตัวเองให้อยู่ในกรอบของความถูกต้องดีงามแล้วก็มีความสุขจากการมีทรพัพย์การใช้ใจ่ายทรพัพย์การไม่ต้องเป็นลี้เป็นสินใครโดยมีพื้นฐานมาจากการแสวงหาทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาในทางที่ชอบทำตึ้งหมายความว่ามีปัญญารู้เท่าทันถึงเรื่องของทรัพย์เหลดนั้น โดยไม่ปล่อยให้ตัวเองตกเป็นทาสรับใช้หรือว่าเป็นปูสมเข้าทรัพย์อย่างที่ตัณใจพูดกันมายว่ามีทรัพย์ได้ประโยชน์จากทรัพย์และไม่เดือดร้อนจากทรัพย์มากเกินไปนั่นก็เป็นคาสอนระดับทั่วไปหมายความว่าไม่ถึงกับชนะมารแต่ว่าเอาหาประโยชน์จากมารเท่านั้น เรื่องพัญญาสามีก็มีลักษณะเช่นเดียวกันที่จริงก็เป็นขันที่แต่และฝ่ววายจะต้องแบกก็มีอาการหนักเพิ่มขึ้นสือบคนก็สามารถสังเกตได้ด้วยตัวเองว่าตอนที่เป็นโสดมันก็สภาพชีวิตอีกเป็นอย่างหนึ่งแต่พอเริ่มมีครอบีครัวก็ต้องแบกขันเพิ่มขึ้นอีกคนละห้าขัน จริงก็คงไม่ใช่ห้าขันก็ขันต่งตางๆก็เพิ่มเงนไปเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันทำยังไงจึงอย่าให้เป็นมานกันตัวสอนธรรมะในรูปของการปฏิบัติหน้าที่มายความว่าแต่ละขวา ม, มีความเอื้อเฟื้อต่อกันครบสิทธิหน้าที่ของการและการมีความเอื้ออทรต่อกัน แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องรู้ถึงความจริงว่าการพลัดพราดนั้นจะต้องเกิดขึ้นเพื่ออะไรเพื่อให้บุคคลไม่เกิดความเศร้าโศกเสียใจมากเกินไปเมื่อประสบกับการพลัดพราดสูญเสียแต่ในันนี้ที่จริงก็ยังเป็นมารเพียงแต่ว่าไม่ถึงกับล้างผลาญทําลายจนประสบความพิบัติเดือดร้อนไปด้วยประการต่างๆเท่านั้นเอง ในเรื่องบุตรธิดาก็มีลักษณะอย่างนัน้ที่จริงก็เป็นขันทึ่เพิ่มขึ้นมาจากของเราห้าขัน้ะมีอีกห้าขันปัญญาห้าขันลูกคนละห้าขันหนขันมันก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันแต่ว่าก็ให้มีปัญญาในการครอบครองเรือนเป็นคําสอนระดับโล ก, กเรียกว่าระดับระดับโลกกิจธรรมเป็นการรู้ถึงความจริงที่จะต้องเกิดขึ้นแก่ชีวิต เมื่อขันแต่ละขันนั้นมันเป็นสภาวธรรมให้เราสังเกตว่าตัวทรัพเองก็เป็นสภาวธรรมเกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยตั้งอยู่โดยเหตุปัจจัยดับสลายไปโดยเหตุปัจจัยสามีพัญญาบุธริดาก็คือสภาวธรรมที่เมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแม้ความรักความผูกพันฉันสามีพัญญาาก็เป็นเรื่องของสภาวธรรม คือตกอยู่ในกฎของสภาวธรรมที่จะอาจจะเกิดความรักก็ได้อาจจะเพิ่มความรักขึ้นไปก็ได้อาจจะกลายเป็นความใคราความรักก็ได้อาจจะกลายเป็นความโกรธก็ได้มันก็มีภาพสี่ิติเห็นอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเพราะในแต่ละอย่างนั้นถ้าวกบุคคลได้ใช้ปัญญาพินิพิจนารู้เท่าทันเรงความจริงในช่วงเกิดก็ใช้ประโยชน์จากช่วงเกิด แต่ก็ไม่ประมาทในการครอบครองในการอยู่ร่วมกับคนกับสิ่งของเหล่านั้นเวลามีการเกิดพลาดพลาดสูญเสียไปก็ยอมรับถึงความจริงที่ไม่สามารถติดเรื่องได้เราทาให้ใจอยู่อย่างมีฐานใจมีเครื่องคลุ้มครองใจคือปรับใจให้อยู่ได้ตามความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นซึ่งที่จริงแล้วก็เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของคนเรา คือการสามารถปรับตัวเองให้ยู่ได้ตั้งกลางความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายเราไม่ไปสามารถรือควบคุมความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้แต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่เราปรับตัวได้เศรากาศหนาวจัดเราไปแก้ที่หนาวจัดไม่ให้หนาวจัดมันไม่ได้อากาศหนาวจั ด, จดร้อนจัดหรือว่าน้ำท่วมฝนตกหนักอะไรต่าง ๆ, งๆมันเป็นเรื่องของธรรมชาติ ประเด็นสำคัญอยู่ที่การปรับตัวเองให้อยู่ได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นที่จริงๆเหล่านั้นก็คือสังขารก็คือสภาวธรรมเหมือนกันเจ็ดความหนาวความร้อนฝนตกแดดออกทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นสภาวธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปด้วยเงื่อนไขของธรรมชาติไม่ได้อยู่ตลอดไปแต่มันอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงแต่นั่นเอง เพรก็จะเปลี่ยนแปลงมาในลักษณะใดก็ท่านสอนให้ปรับใจให้อยู่ได้ในขณะนั้นๆั้บจริงมันก็เป็นขณะคือไม่ถึงก็ช่วงมันยาวมากมายอะไรนักหนาะเจ็ดว่าหนาวก็ไม่หนาวยังยืดเยื้อยาวนานอะไรแต่ว่าช่วงที่หนาวอยู่นั้นก็ปรับตัวอยู่ได้ก็ได้กันเพราะคุณสมบัติเหล่านี้จึงเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่บุคคลมีอยู่แล้ว เป็นการใช้ปัญญาที่สะสมไว้ในชีวิตประจําวันของตัวเองจึงสังเกตได้ว่าการสะสมไวไปบ่อยๆเช่นสมมติว่าคนอยู่ในประเทศหนาวกับอยู่ในประเทศร้อนคนอยู่ในประเทศร้อนปรับตัวให้อยู่ในประเทศร้อนได้รวดเร็วกว่าดีกว่าคนอยู่ในประเทศหนาว ในะเดียวกันคนที่อยู่ในประเทศหนาวก็ปรับตัวให้อยู่ได้ดีกว่าเร็วกว่าคนที่อยู่ในประเทศร้อนเพราะไรเพราะประสบการณ์ที่สะสมไวปในแต่และ ว, วันทำให้เกิดการเรียนรู้ถึงปรากฏการณ์เหล่านั้นแล้วก็วิธีการแก้ไขมีการลองผิดลองถูกกันพอสมควรแต่ในที่สุดตึ้งจุดหนึ่งเขาก็ ได้หลักที่จะอยู่ให้ได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเพราะลักษณะของการเกี่ยวข้องกับขันเราอื่นก็เป็นเช่นนั้นเพราะครั้งที่กล่าวไปแล้วว่าเอาจริงมันก็เป็นขันห้าด้วยกันประเด็นสําคัญที่พระเจ้าทรงเน้นเอาไว้ในกลุ่มขอ ง, ท, ง, ท, งทุกข์สัตว์ทั้งสัตว์ชนและหลายก็ได้สวดสาธยายกันอยู่โดยทั่วไป คือเป็นพระพุทธดํารัสที่เรียกว่าเป็นนิปรยายคือรับสั่งเมื่อไร่ก็รับสั่งอย่างนั้นทุกทีจะพูดเรื่องความทุกข์ในลักษณะต่างๆซึ่งปรากฏแก่ยับขันทั้งหลายแล้วในสุดจะมาสรุปในตอนสุดท้ายว่าเมื่อเราโดยสรุปแล้วจิตที่ยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งห้านั่นแหละเป็นความทุกข์ยึดมั่นถือมั่นอย่างไร ยึดมั่นถือมั่นด้วยความเป็นของเราด้วยความเป็นเราและด้วยความเป็นตัวเป็นตนของเราคนนี้ก็สามารถตรวจสอบดูได้ว่าความเปลี่ยนแปลงแตกสลายการทำลายไปของขันทั้งหลายนั้นมีอยู่เป็นปกติเรียกว่าถ้าเราสามารถมีเครื่องมือในการตรวจสอบดูโลกทั่วได้ได้ทั้งโลกแล้วก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่ทุกขณะได้ทงไป เพียงแต่ว่าในขณะนี้ใครตายตายตรงไหนหรือว่าสัตว์ตัวไหนตายเป็นต้นเนี่ยถ้าพูดถึงนับเป็นวินาทีแล้วที่จริงในแต่ละวันนั้นสัตว์ตายไปมากกว่าจะน ว, วนวินาทีที่ทาไปเพียงแต่เราไม่รู้ว่าตายอยู่ตรงไหนบ้างทอนนั้นถ้าหันมาถามใจตัวเองดูว่าเราเดือดร้อนไหมคำตอก็จะไปอยู่ที่ว่า ใครเป็นคนตายเพราะตัวใครนั้นมีความสำคัญมากถ้าหากว่าคนตายนั้นมีความเกี่ยวข้องผูกพันกับเราเรามีความรู้สึกว่าเป็นของเราเช่นพ่อแม่ของเราญาติพี่น้องของเราเพื่อนฝูงเราเป็นต้นเอวจะเกิดความเศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าหากว่ากาหนดเป็นของเราเหมือนกันเดี๋ยวเป็นศัตรูเรา ก็จมีความเชื่อมชุมยินดีรู้สึกสบายใจเบาใจไปที่คนนี่งเป็นศัตรูตัวตัวเองเนีตายไปและส่วนใหญ่แล้วจะเป็นความรู้สึกกลางกลางเพราะการกําหนดหมายในแวดวงเหล่านั้นจะกำหนดกําหนดหมายได้อย่างจํากัดคือเราจะไปกําหนดว่าเป็นของเราไปหมดทั่วโลกเน่มันเป็นไปไม่ได้เรากําหนดเฉพาะแวดวงที่เราสัมผัสได้นั้นเอง เพราะจะพบว่ามีขันเป็นอันมากที่เป็นที่ตั้งแห่งความโศกเมื่อเขาประสบความพิบัติไปมีขันเป็นอันมากเป็นที่ตั้งแห่งความเฉยเมื่อเขาประสบความพิบัตินั่นกันและมีขันเป็นอันมากที่ทําให้เราเกิดความสบายใจเมื่อเขาประสบความพิบัติเพราะนั่นก็จึงความพิบัติของสัตว์นั้นจึงก่อให้เกิดเป็นเวทนาขึ้นแก่นนเราสามอย่าง สุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกเป็นสุขบ้างจุดเปลี่ยนจึงไม่ได้อยู่ที่ตัวสัตว์เหล่านั้นแต่อยู่ที่การอยู่ที่ใจเราไปกําหนดสัตว์เหล่านั้นเมื่อกําหนดไว้ในฐานะอะไรในฐานะมิตรในฐานะเป็นศัตรูพอมาถึงจุดนี้จะพบว่าตราบใดที่ใจยังไปยึดมั่นตือมั่นอยู่นั้นขันเหล่านั้นก็พร้อมที่จะเป็นมาร จนจะแรงหรือไม่แรงก็ไปดีเรื่องหนึ่งแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือพร้อมที่จะเป็นมาเพิ่งการปฏิบัติอีกชั้นหนึ่งอีกระดับหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นระดับของวิปัสสนามุ่งสอนในบุคคลได้ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นความจริงอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนในสิ่งเหล่านั้นจนมีความรู้สึกในลักษณะที่เรียกว่าผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ใจไม่คล้องไม่ติดอยู่ในอารมณ์เหล่อนั่นซึ่งบางครั้งทรงสอนให้ดูง่ายๆว่าเรานั้นเป็นกลุ่มของดินน้ำลมไฟอากาศแล้วก็วิญญาณธรรมดาของลมทั้งหลายนั้นได้พัดผ่านสิ่งต่างๆกลิ่นสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างธรรมดาธรรมดาบ้างแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ผ่านเลยไป ไอ้กรีนเหล่านั้นอาจจะติดลมไปบ้างแต่ในสุดจะค่อยจางไปหายไปพวกดินก็มีลักษณะเช่นเดียวกันรับสิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่วความยินดีหรือความยินร้ายไม่เกิดขึ้นกับแผ่นดินไยก็เป็นเช่นเดียวกันคือเผาผลาญสิ่งทั้งหลายดีบ้างไม่ดีบ้างแลตวไฟก็มีหน้าที่แต่เผาผลาญแต่นั้นเดง คือไม่ได้ดจิตใจพอใจเสียใจในสิ่งที่ตัวเองเผ่าพานธ์ในการแตกทำลายไปของสิ่งที่ตัวเองเผ่าพันธ์น้ำก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะันสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวอย่างให้บุคคลเห็นได้อย่างเด่นชัดว่าปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลนั้นเพราะไม่ได้อยู่ที่ตัวขันข้างนอก แต่ว่าเกิดไปอยู่ที่ตัวขันข้างในโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็คือพวกสังขารที่เรียกว่าเป็นเจตสิกธรรมซึ่งปรากฏอาการออกมาในเฉพาะกลุ่มของกิเลสเพราะเจตสิกธรรมนั้นมีทั้งสาม่ายคือฝ่ายเป็นกุศลก็มีอกุศลก็มีเกรกกงกลางก็มีในดับทั่วๆไปก็ถือว่าจิตใจที่ไปยึดมั่นถือมั่นโดยนอนาจตนามานะ ทิฏฐิดังกล่าวนั่นเองเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้ายึดมากความทุกข์ก็มากยึดน้อยความทุกข์ก็น้อยถ้าไม่ยึดความทุกข์ก็สงบในจุดนั้นๆเพราะการเกี่ยวข้องกับขันเหล่านี้จึงไม่ใช่สอนในรูปทําลายขันแต่ว่าสอนในรูปป้องกันทําลายความผูกพันความยืดใหญ่ ความลุ่มหลง ม, ม, มัวเมาอยู่ในขันเหล่านั้นแต่ก็ใช้ประโยชน์จากขันเรียนรู้ความจริงจากขันให้เข้าใจถึงขันนั้นโดยท่องแท้ตามความเป็นจริงจางที่ทรงสอนไว้ในในเรื่องต่างๆก็แล้วแต่จะทรงใช้อะไรบางอย่างอาจจะทรงใช้ว่า รูปก็สักแต่ว่ารูปเสียงก็สักแต่ว่าเสียงกลิ่นก็สักแต่วกลิ่นรสก็สักแต่ว่ารสสัมผัสก็สักแต่ว่าสัมผัสอารมณ์ก็สักแต่ว่าอารมณ์เพราะเลยเพราะขันข้างนอกขันข้างนอกเช่นสมมุติว่าทรัพย์บุตรพัญญาสามีดังที่กล่าวแล้วมันก็คือคือขันข้างนอกพอแยกก็ไปทีมันก็แยกเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรมารม หรืบางทีมันไปนกลายกลายเป็นความยึดติดในตัวไหนคือขันของเราเองก็ทรงสอนเห็นว่าตาก็สักแต่ว่าตาหูก็สักแต่ว่าหูตาหูจะบุกเลี้ยงกายใจก็สักแต่ว่านี่ก็หมายความมาเป็นการย่อยกันห้าออกไปอีกจีหนึ่งตึงสังเกตว่ารูปเสียงกีโนตผภักก็ดีหรือว่าตาหูจะบุกเลี้ยงกายใจก็ดีนั่นที่จริงแล้วก็คือขันห้านั่นเอง ส่วนรูปเสียงกลิ่นรสโภพภะนั้นก็คือรูปประคันส่วนธรรมารมก็คือเวทนาทัญญาทังขารวิญยาณหรือเอาข้างในคือตาหูจมูกลิ้นกายพวกตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นส่วนรูปประคันส่วนที่เป็นใจก็คือส่วนที่เป็นเวทนาทัญญาทังขารวิญยาณพูดไปพูดมาแล้วมันก็สรุปรวมอยู่ที่ขันทั้งาประการ ได้ท่านสาธุหลายลองสังเกตเลยไปจนถึงอริยสัจ ท, ทั้งสี่ประการจึงถือว่าเป็นที่รวมพระคำสอนทั้งหลายอริยสัจ ท, ทั้ง4ี่ประการที่จริงมันคือการห้ามกันเพราะอะไรเพราะส่วนทุกทุกสัจต น, นก็ได้แก่กลุ่มของรูปประคันรวมตั้งเวทนาสัญญาและก็วิญญาณด้วยหรือตกอยู่ในความเป็นทุกข์ พปุสุทายนั้นก็คือสังขารที่เป็นอกุศลได้เกิกิเลสนิโรดนั้นคือจิตที่ปราศจากสังขารที่เป็นอกุศลมาร์กนั้นก็คือสังขารที่เป็นกุศลตกลงว่าในอริยสัจมันก็คือขันธ์ทั้ง5ประการแต่ว่าตัวนิโรดนั้นเขาเรียกว่าวิสังขารกตังจิตตังหมายความว่าจิตที่ปราศจากสังขาร แต่คำว่าปราศจากสังขารที่จริงหมายถึงปราศจากสังขารที่ปรุงแต่งจิตโดยเฉพาะที่เป็นอกุศนทีนทน่ที่เป็นบาป ท, ที่เป็นปุนเพราะยังไงท่านก็มีโลกุตระจิตโลกุตรจิตที่จริงมันก็ปรุงด้วยสังขารฝ่ายที่เป็นโลกุตระแต่นั้นขันท่าก็ดีอายตนาภายในก็ดีภายนอกก็ดี สรุปรวมเม็ดเสร็จแม้แต่ยศาสตร์ทั้ง4ประการหรือปฏิจจสุบัต ก, ก็แล้วแต่จะนับไหนะฮะมารวมอีกทีหนึ่งก็คือขันทั้งหประการและขันทั้งหประการนั้นรวมอีกทีหนึ่งก็คือนามรูปและตัวนามรูปนั้นเป็นเรื่องของสภาวัตตันที่ตกอยู่ในกฎของพระไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกเปร็ น, นตาปัญหาสำคัญที่ท่านแสดงเอาไว้ในโวหารต่างๆ ทำให้เราพบว่าเมื่อเห็นอย่างหนึ่งก็ชื่อว่าเห็นอย่างหนึ่งท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะเขาเกี่ยวเนื่องถึงกันนั่นเองผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของพระรยะบุคคลทั้งหลายเช่นทรงสแสดงไวใ้ในนัตตลกนัสูตรทรงใช้คำว่ารูปเวทนาธัญญาทังขารวิญญาณก็สักแต่ว่ารูปเวทนาทัญญาทังขาดวิญญาณ ปัญหาสำคัญว่าจะไปเห็นในขันทั้ง5้ากรดีในอัตตราภายในภายนอกก็ดีในเราศาสตร์ทั้ง4ี่กรณีนั้นจะเห็นยังไงก็ได้เห็นที่ใดก็ได้แต่วเห็นโดยปัญญาอันชอบแล้วการจางไปคลายไปบรรเท่าไปของอิเลสก็จะบังเกิดขึ้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการยึดมั่นหรือมั่นก็จะบรรเทาบางๆลงไปเมื่อได้ถ่ายถอนความยึดมั่นถรือมั่นหมดไปความทุกข์ก็ชื่อว่าได้หมดไป เมื่อ น, นั้นผู้ปฏิบัติก็ได้ชื่อว่าเข้าถึงผลสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาแล้วต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสุขต่อไป